39านามรูปปริเฉทยานเป็นปัญญาเบื้องต้นวงเล็บเปิด29มกราคม2552ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดการเพ่งอารมณ์เรียกว่าอารามณูปนิชฌานเป็นการทำสมถะถ้าทำวิปัสสนาต้องเรียกว่าลักคนูปนิชฌานคือเห็นลักษณะไปรู้ถึงลักษณะคือความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจการจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ได้จิตต้องตั้งมัน่นคือเรียกว่า จิตมีสัมมาสมาธิปัญญาถึงจะเกิดถ้าไม่มีสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่เกิดสมาธิที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายทําส่วนใหญ่มันเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิแต่างกันมากเลยมิจฉาสมาธิมันจะเพ่งตัวอารมณ์จิตมันไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่กับตัวอารมณ์สัมมาสมาธินี่จิตจะตั้งมั่นในการรู้อารมณ์จิตมันจะแยกออกจากอารมณ์มันจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ง เห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นกุศลอกุศลทั้งหลายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งมันจะแยกออกมาถ้าไม่สามารถแยกรูปแยกนามออกมาได้ไม่สามารถทำวิปัสสนาได้จริงการแยกรูปแยกนามออกมาเป็นการมีปัญญาเบื้องต้นเลยเบื้องต้นที่สุดเลยของปัญญาปัญญาต่ำสุดเลยชื่อในเครื่องหมายคำพูดนามรูปปริเฉทญาณเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนา ส่วนจินตามายะปัญญาเป็นปัญญาจากการคิดสุตตะมายะปัญญาปัญญาจากการอ่านการฟังอันนี้เป็นปัญญาพื้นๆเอามาใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนาต้องเป็นภาวนามายปัญญาทีนี้เราคอยรู้สึกตัวนะรู้สึกไปแล้วก็เห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานเช่นเห็นท้องพองยุบร่างกายมันพองร่างกายมันยุบไม่ใช่เราพองเรายุบจิตอยู่ต่างหากจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหาก ร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่ตัวเราหายใจจิตอยู่ตั้งหากจิตเป็นคนดูถ้าจิตแยกออกมาเป็นคนดูได้มันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวเราความเป็นตัวเรามันเกิดจากจิตไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์ไปรวมเอาขันห้ามาประชุมเข้าด้วยกันจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วก็จะเกิดความรู้สึกมีตัวมีตนขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไรจิตตั้งตัวเด่นดวงขึ้นมาได้เป็นผู้รู้ผู้ดู จะเห็นทันทีเลยร่างกายที่พองที่ยุบร่างกายที่ยกย่างเหยียบร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้านั้นไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยฉะนั้นตัวนี้สําคัญมากเลยเป็นจุดแตกหักเลยว่าเราจะขึ้นวิปัสสนาได้จริงหรือไม่ได้จริงผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดขึ้นวิปัสสนาไม่ได้เลยนับตัวได้เลยที่จะขึ้นวิปัสสนาได้จริงเพราะจิตจะต้องตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ถึงจะทำวิปัสนาได้ถ้าจิตไม่ตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตจะรวมอยู่กับขันอื่นๆไปรู้ท้องพองยุบจิตก็ไปอยู่กับท้องไปรู้ลมหายใจจิตไปอยู่กับลมไปรู้มือจิตไปอยู่กับมือไปรู้เท้าจิตไปอยู่กับเท้าจิตไหลไปหมดเลยถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะไม่มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ฉะนั้นจิตจะตั้งมั่นได้นี่จิตต้องแยกตัวออกมาจากขันอื่นๆก่อน เห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยทางกายทางใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูจิตมันอยู่ต่างหาก แต่ตรงที่จิตแยกออกมาอยู่ตั้งหากนี่ต้องระมัดระวังมีทีผ่ผิดอีกที่หนึ่งคือไปเพ่งตัวผู้รู้เอาไว้จนนิ่งๆิ่งแข็งแข็งกลายเป็นตัวผู้รู้เที่ยงตรงนี้ผิดอีกเห็นไหมทางที่ผิดมันเยอะแยะไปหมดเลยเราต้องเรียนให้ดีถ้าไม่แยกตัวผู้รู้ผู้ดูออกมาจิตไหลไปรวมอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ใช้ไม่ได้เป็นสมถะถ้าแยกผู้รู้ออกมาแล้วประคองรักษาผู้รู้เอาไว้เพ่งตัวผู้รู้เอาไว้ ตัวผู้รู้ที่ท่เที่ยงอยู่ก็เป็นสมถะเป็นการเพ่งอรูปแล้วเพราะตัวผู้รู้เป็นอรูป